กิจชังมนุสสธรรมสวนณังกิจโฉมนุสสุปปาโดติอีนี้ขอท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในความสงบเพราะการฟังเทศฟังธรรมนั้นต้องทำให้จิตใจสงบเป็นอิสระ แล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับตัวของเราทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องตั้งใจฟังให้ดีเหมือนดังที่ยกพาสิทธิ์ขึ้นเบื้องต้นว่ากิดโฉมนุสสะปฏิราโพการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เป็นลาบอันประเสริฐท่านว่าอย่างนั้นเพราะคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่ของง่ายกว่าเราที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์นั้นหายากฉะนั้นสมบัติอันล้ำค่าของเราที่ได้มาก็คือสมบัติของเป็นมนุษย์ เราควรที่จะรักษาดูแลทรัพสมบัติอันนี้เพื่อจะได้เป็นการดำเนินชีวิตให้ไปในถูกใ้ทางที่ถูกที่ต้องที่ควรแล้วก็กิจชังมนุษย์ชาชีวิตตังก็เกิดมาแล้วจะมีความสบายกายสบายใจก็หายาก เกิดมาแล้วก็ต้องมีการประสบปัญหาต่างๆไม่หยุดไม่ย่อนซึ่งปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาท้าทายต่อสติปัญญาของเราพุทธบริษัททั้งหลายนั่น แล้วจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวก็หายากเนี่ยคนเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวก็หายากอืโดยมีายหาโรคภัยไข้เจ็บมาบั่นทอนชีวิตของเราให้เป็นไปต่างๆนาน า, นาเราก็ต้องหาทางแก้ไขอ่าไปเรื่อยๆซึ่งพวกเราก็คิดว่า ทุกคนที่นั่งอยู่ในตรงนี้ก็คงจะประสบพบเห็นมาทุกคนนั่นแหละทุกคนมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทั้งมากบ้างน้อยบ้างไม่มีใครที่จะหลีกพ้นได้เนี่ยและมันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติที่คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องได้พบได้เห็นเป็นสิ่งที่ ให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงอย่างนั้ น, นทีนี้กิดฉังมนุษยธรรมัสวรนังนได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมคำสั่งสอนอันที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็แสนยาก บางคนก็ไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมเลยก็มีเนี่ยพวกเราก็ยังดีมีบุญวาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำเป็นประจำทุกเดือนก็ว่าได้ทีนี้ข้อที่สี่ก็คืออ่ากิจโฉมนุสสะปฏิอ่อพุทธหุปปาโด การได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่ละชาตินั้นก็แสนยากเพราะว่านานแสนานานที่จะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกสักองหนึ่งแต่พวกเราก็ยังดีที่ได้เกิดอยู่ในประเทศเรียกว่าปตุปลเตลูปเทสวัสสะเกิดอยู่ในประเทศอันสมควร เกิอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เราได้ยินได้ฟังได้น้อมนำมาประพฤติธปฏิบัติเนี่ยเ่งพวกเราทุกวันนี้เลยได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติในกิจวัตรประจาวันของเรานั่นน่ะ เราต้องนึกย้อนไปอีกทีหนึ่งธรรมะนั้นเป็นธรรมชาติสากลซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนครบถ้วนบริบูรณ์แต่ไม่มีใครคนพบก็มีนักปราชญาจารย์ พวกโยคีมุตหรือศีชีภัยนักบวชทั้งหลายก็ได้สเสวงหาต่างๆ น, นานาเพื่อจะเอามาระงับดับความทุกข์ความวุ่นวายภายในใจนั้นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ก็ไม่สามารถจะหาพบทางดับทุกข์นั้นที่ถาวรได้จนกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกท่านจึงได้ไปค้นพบกฎแห่งธรรมชาติเหล่านั้นแล้วเอามาสอนธรรมชาติเหล่านั้นมีอยู่ก่อนแล้วท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าเราตถาคตจะเกิดขึ้นจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมชาติเหล่านั้นเขามีอยู่แหละก่อนแล้ว มีอยู่ก่อนแล้วทุกอย่างแล้วก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนี้มีประจําโลกมาแล้วก่อนท่านจะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบเท่า น, นั้นเองท่านก็เอามาอบอกมาสีแกงมาแสดงให้พวกเรา ได้เข้าใจได้ศึกษาที่กิง่งที่กิงนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นทุกคนก็ปฏิบัติอยู่้รปฏิบัติอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมชาติสันสัตยานที่ให้เรามาแล้วการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้น เราปฏิบัติมาตั้งแต่เรารู้จากความนนเองศึกษาฝึกหัดปฏิบัติตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั่นก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตนเองนั่นเองให้ไปในทางธรรมเราศึกษาปฏิบัติมาท่านเรียกว่าศึกษาตามธรรมชาติ ธรรมชาติมันสอนเราก็สำเนียกฝึกหัดดัดแปลงไปตามนั้นนี่จนกระทั่งใหญ่โตมาแล้วเราก็ไปเรียนหนังสือไปศึกษาจากหนังสือท่านเรียกว่าศึกษาจากหลักวิชาการแต่ก็เอาไปจากหลักธรรมชาติหลักวิชาการทั้งหลายก็เอาไปจากกฎของธรรมชาติทางธรรมธรรมชาติไป ฉะนั้นส่วนใหญ่คนเรานั้นศึกษาจากธรรมชาติธรรมชาติมันสอนสอนธรรมะให้เราทุกวันสอนให้นั้นให้ศึกษาทั้งดีทั้งชั่วทั้งอะไรต่ออะไรนั้นธรรมชาติมันสอนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะธรรมะนั้นจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องปฏิบัติ อันนี้เรียกว่าให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่เพียงที่ว่าเรายังไม่รู้จักถึงแนวทางที่จะดับทุกข์ดับปัญหาที่เราที่กิงเราก็เป็นผู้ก่อขึ้นมาทั้งนั้นแหละเป็นผู้เข้าหาใส่มันนั่นเองะฉะนั้นเ น, นว่าแม้เราจะอยู่ในฐานะใด จะทำงานอย่างไรจะทำงานอยู่ที่ไหนจะมีอาชีพการงานอย่างไรนั้นนะทุกขณะเราก็ปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วคนเราไม่ปฏิบัติธรรมะมันก็เป็นคนไปอีกทางหนึ่งทีนี้ทุกคนก็ายดีอยากได้ดีก็ต้องใยดีทำดีก็ปฏิบัติธรรมะายดีพยายาม ปฏิบัติไปให้ทางที่ดีให้ถูกต้องอให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นถูกต้องสิ่งที่เราทำนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีเหตุปัจจัยที่ให้เกิดเรื่องเกิดราวนั้นน่ะเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจึงจะได้ทำกาทางานแผนกไหนก็ตามก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรม งานเราก็ต้องวินิจฉัยพิจารณางานของเราที่ทำนั่นละ่ะทำให้ดีทำให้ถูกต้องทำให้เรียบร้อยแต่ละแต่ละวะัครั้งแต่ละวันแต่ละนาฉะนั้นจึงว่างานภายนอกเราก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมงานภายในก็ยิ่งปฏิบัติธรรมหนักเข้าไปอีกงานภายในก็คือนานกิจ กิจทำงานมากกว่าร่างกายร่างกายนั้นอ่ามีเวลาพักทำงานเป็นเวลานะแต่ส่วนกิตนั้นเขาทำงานอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี๋ยวลองสังเกตนะคนเราไม่เคยสังเกตดูที่เราเพราะส่วนมากก็ส่งใจออกไปข้างนอกทั้งหมดยังไม่มาสำรวจตรวจตา ว่าเรากำลังทำงานเรื่องอะไรคิดอะไรทำอะไรอยู่ภายในนั่นแหละฉะนั้นเราต้องมาดูเรามาดูความรู้สึกของเรามาดูกิจของเราที่มันนึกมันคิดมันพิจารณามันคร้ครวนมันทำอะไรขอย้อนเข้ามาดูที่ใจของเราอยู่ที่กิจของเรานะ เ, เมื่อกี้นี่ก็มีโยมถาม ก็รู้สึกว่าเป็นคำถามที่ดีเอามากๆเลยทีเดียวนะก็ถามว่ากิจกับใจเป็นอันเดียวกันหรือไม่หรือเป็นคนละอย่างที่กิงก็มีนามชื่ออันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าทำงานคนละหน้าที่ส่วนใจนั้น เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางกลางแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็เป็นหลักส่วนทำงานก็คือกิจกิจกิดก็แปลว่าคิดอยู่แล้วกิตต้องคิดต้องอ่านต้องพิจารณาต้องไต่ตรองนั่นเป็นตัวกิจแต่ใจเป็นตัวกลาง ตัวการใจตัวนี้ท่านก็ไปเป็นว่าคือสตินั่นเองสตินั่นเองเป็นใจใจต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ต่างๆใจต้องรู้จักควบคุมความรู้สึกนึกคิดที่กิจมันปรุงแต่งที่กิจมันทำขึ้นมานั้นให้ได้ถ้าไม่จะปล่อยให้แต่กิจมันทำงานอย่างเดียว ไม่มีใจเป็นหลักหรือไม่มีสติเป็นหลักกิจมันก็ทำงานเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องของมันมันก็ไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างยิ่งยิ่งตามมันเท่าไหร่มันยิ่งไกลออกไปอีกนั่นฉะนั้นเราต้องควบคุมมันให้อยู่เนี่ยเพราะกิจนั้นสามารถทำดีทาชั่วสามารถทำได้ทุกอย่างอ่า เป็นผู้ก่อเหตุก่อเรื่องอทั้งภายนอกภายในก็คือกิจฉะนั้นเราต้องมีใจมีสติควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้อยู่เป็นกลางกลางให้อยู่พอดีได้เมื่อเราควบคุมได้เราก็มีความเบาใจเบากายได้ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็จะทำมันก็จะทานำความเดือดร้อนมาให้แก่เรา ไม่ว่าเราจะทำงานแผนกไหนก็มีความเดือดร้อนกับในสิ่งนั้นเนี่ยลองสังเกตดูใจของเราสิฉะนั้นจึงว่าอย่างหนึ่งก็คือรู้จักควบคุมไม่ให้กิจมันไปในทางต่ำหรือทางเหลวนะกิจนั้นก็คื อ, อ, อตัวควบคุมก็คือตัวสติคือตัวใจนั่นเอง ใจนี่เป็นกลางกลางนะเหมือนกับใจเนี่ยเหมือนกับใจไม้ใจอะไรนะอะไไม่มีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดทั้งที่ว่าเป็นประพัดสอนไงมันมีแสงสว่างมันมีไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งใดนั่นคือใจเป็นหลักส่วนที่ทำให้ใจเศร้ามองขุนมัวก็คือกิจ คือกิจพะใจกับกิจนั้นแท้ที่จริงก็เป็นนามธรรมด้วยกันไม่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างอะไรทั้งนั้นแต่ ก, สาากดด็สามารถรู้ได้เกิดได้สามารถรู้ได้เกิดไดจากที่ใดก็คือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกของคนเราอ่า พอตื่นนอนขึ้นมาความรู้สึกก็เกิดขึ้นมาทันทีเกิดมาแล้วถ้าเรามีความสบายใจเราก็จะแช่ชื้นใจถ้าเราไม่สบายใจยังงัวเงียอยู่ตื่นขึ้นมาจิตใจก็เริ่มเศร้าหมองมาตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนั่นคิดหาอาการเหล่านั้นจะแก้ไขอย่างไรจะทำอย่างไรจะไปอย่างไรจะเอาอะไรมาแก้ไข นั่นแหละล้วนแล้วแต่เป็นของธรรมะที่เราจะต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั่นนะแต่เหล่านี้ก็อยู่ในตัวของเราหมดทั้งนี้นหะ่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่ถ้าเราไปมัวตั้งแต่อยู่ข้างนอกไปแก้ไขข้างนอกมันแก้ไขไม่ได้ เราต้องแก้ไขที่ในใจของเราเพราะอะไรเกิดขึ้นที่ใจที่กิจมันไม่ได้เกิดที่ข้างนอกอเราเราไปมองปัญหาตั้งแต่ข้างนอกแต่เราไม่ได้มองเข้ามาข้างในแท้ที่จริงมันเกิดที่ความรู้สึกเกิดขึ้นจากกิจของเราเท่านั้นที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยแต่ถึงอย่างไรใจก็คือใจอยู่เหมือนเดิม กิจก็ไม่สามารถที่จะทำลายใจได้เพราะใจนั้นคือเป็นตัวสติคือสติกับใจนั้นเป็นตัวเดียวกันใ ห, ให้ดูที่ใจของเราใจของเราก็ต้องมีสติสติกับใจนั้นเป็นตัวเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างแต่เพียงแต่เป็น คุณนามไปเป็นไวยพศ์เป็นไพจน์ใช้แทนกันได้เช่นท่านเรียกว่ามโนโบัง้งวิญญาณบัง้งกิจบัง้งมโนโบัง้งคือใช้แทนกระอาแทนใจได้เท่านั้นเองแต่ขอให้จำได้จำไว้ว่าหลักจริงๆนั่นก็คือใจกับสติสติก็คือใจใจก็คือสติที่จะต้องคอยดูครอบคุมดูแล อารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปจากตัวของเรานั้นให้ได้เป uh, anyway, ็นอย่างนั้นนะนี้นี้นี um, ่เราต้องทําไม่ทําไม่ได้ทุกคนต้องรู้เองทําเองเท่านั้นอันนี้คือเราต้องทําเป็นประจำเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติอะมันสอนเราทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนั้นนะอย่าทําอย่างนี้นะทําอย่างนั้นไม่ดีนะทําอย่างนี้ไม่ดีนะทําอย่างนั้นไปได้นะทําอย่างนี้เรียบร้อยนะ มันจะสั่งจะสอนจะแนะนาอยู่ทุกพิธีเก้าทุกวินาทีนั้นก็คือธรรมะนั่นเองอปสัสจากธรรมะไม่ได้มีแต่ธรรมะการปฏิบัติธรรมะการศึกษาสมะนั้นธรรมะตัวธรรมชาติจริงๆนั้นนะ่ะมันจะแนะนาพัมสอนตักเตือนเราอยู่ทุกวินาทีนั่นนะ่ะคือธรรมะมธรรมะเอามาปฏิบัต ถ้าเราควบคุมอารมณ์เราได้จิตใจเราก็สบายขึ้นถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยตามกระแสของมันอย่างนี้เราก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นความเล่าร้อนเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจความมัวหมองเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นขอให้เราหวนกลับมาดูมาดูที่ใจของเรา เพราะว่ากิดนั้นมันเกิดเร็วดับเร็วเกิดดับเกิดดับเร็วะฉะนั้นพระเจ้าท่านสอนให้รู้เท่ารู้ทันกิดที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ต้องไปตามบางคนไปตามเรื่องนีน้ว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันมาจากไหนทำไมไม่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะจะไปตามเรื่องเหล่านั้น มันเปลี่ยนไปเรื่องใหม่แล้วเรื่องนั้นมันก็หายไปเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาแทนท่านจึงไม่ได้ว่าตามไม่ได้ตามเรื่องไม่ได้จะต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ประตูเนี่ยต้องคอยระมัดระวังอยู่ที่ใจนั่นน่ ะ, ะสะสรวมระวังอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่ต้องตามอะไรเกิดขึ้นก็รู้ อะไรดับไปก็รู้ให้ทำความรู้สึกอยู่กับการเกิดการดับอะไรเกิดขึ้นเขารู้แล้วรู้รู้ตรงนี้ไม่ต้องไปตามว่ามันมาจากไหนอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกเกลียดเกิดขึ้นความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นความรู้สึกชิงชังเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ให้มันดับตรงตรงนี้ ไม่ต้องไปขยายความถ้าเราข ย, ขยายความก็ได้เรื่องฉะนั้นจึงว่ารู้แล้วรู้แล้วให้หยุดรู้แล้วให้วางอย่าตามมันไปตามมันไม่ทันมันหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วฉะนั้นกิจนั้นมันเกิดเร็วดับเร็วท่านต้องให้ระมัดระวังอยู่ตรงนี้รู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็จำได้ว่ามันคิดอะไรมันปรุงมันแต่งเรื่องอะไรนั่นน่ะแล้วก็รู้ดิใครจะรู้เราเป็นคนรู้เองอะ่ะเฮ้ยใหมันเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออถ้าหรือถ้าเราไปตามมันมันก็จะได้เรื่องได้ราวเราก็หักห้ามมันตรงนี้เสียไม่ให้มันไปเราก็ตัดมันตรงนี้เลยรู้ แล้วก็วางตรงนี้รู้เรื่องของมันละเรื่องรักก็เกิดขึ้นเรื่องชังก็เกิดขึ้นบุญก็เกิดขึ้นบาปก็เกิดขึ้นที่นี่แต่เกิดขึ้นคนนาทีแต่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากจนเราจนพวกเราจับต้นชนปลายไม่ได้เพราะมันเร็วเรื่องของกิจนะ เ, เรื่องของกิจเรื่องใจของเราเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นเราต้องม า, าระวังตรงนี้ระวังใจระวังกิจของเรานั้นน่ะเพราะว่าใจกับกิจเขาอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานทำงานด้วยกันเหมือนกับที่ว่าบางคนเข้าใจว่าถ้าจะไปปฏิบัติทำแล้วก็จะต้อง หยุดพักการงานทั้งหมดจึงไปปฏิบัติธรรมได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับโลกทั้งหมดแล้วไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อนมากเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นต้องปฏิบัติทุกอย่าง ตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่เกิดความรู้สึกขึ้นมาเราต้องปฏิบัติธรรมเราเราไปแยกเองที่กิงแยกไม่ได้เพราะเพราะเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ่าถ้ามีถ้าไม่มีโรค ก, ก็ไม่มีธรรมถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีโลกเพราะมีมีโลกจึงมีธรรมเกิดขึ้นอ่า เมื่อมีโลกก็ต้องมีธรรมเมื่อมีธรรมก็ต้องมีโลกเพราะโลกกับธรรมนั้นเขาเป็นของคู่กันเออเป็นของคู่กันเกิดมาพร้อมกันแล้วก็ดับลงพร้อมกันเขาอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยกันตั้งอยู่แล้วก็อาศัยกันดับไปเมื่อรู้ความกิงเรานี้แล้วท่านจึงได้ให้อยู่เหนือมันไงเหนือโลกเหนือธรรม ท่านเรียกว่าโลกุตระทำเหนือโลกโลกุตระธรรมแปลว่าเหนือโลกเหนือทั้งโลกทั้งธรรมนั้นเราจึงจะพบกับความโล่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจได้ถ้าเรายังสาะระวนไม่เข้าใจเรื่องโลกเรื่องธรรมยังแยกกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เราจะไม่พบกับความสงบสุขได้เลย จะพบแต่ปัญหาต่างๆที่เราก็ไม่สามารถจะแก้ได้แก้ไขได้ให้ร่วมไปด้วยดีมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะทั้งโลกทั้งธรรมเรียกว่าของคู่ของคู่เขาอาศัยกันเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีความชั่วความดีก็ไม่มีถ้ามีความดีก็ต้องมีความชั่วถ้ามีรักก็ต้องมีชัง อ่ามันเพรา ะ, ราะสิ่งนั้นเป็นของคู่กันมันเป็นของคู่กั น, น, น, กนแล้วก็มันก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแ่ะท่านจึงสอนให้เราอยู่เหนือมันไงไม่เอาของคู่เนี่ยเพราะเขาคู่กันเราจะไปแยกกันได้ทาไมอ่า ก็ต้องวางทั้งสองทางไม่เอาทั้งสองทางเมื่อไม่เอาทั้งสองทางเราจึงจะพบกับความสุขอันที่แท้จริงแน่นอนท่านจึงว่าเหนือของคู่นั่นเองถ้าเรายังติดในของคู่อยู่เออยังติดในของคู่อยู่แล้วก็เราก็จะไม่พบกับสันติสุขได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นมรพิจารณา ที่กายที่ใจของเรานี่เองพระตถาานที่ปฏิบัติก็มีที่กายที่ใจเท่านั้นนี่มีแต่รูปแต่นามเท่านั้นหรือขยายออกไปก็คือธาตุสี่ขันห้าดินน้ำไฟลมสิ่งประกอบอาญานะภายนอกภายในนี่ขยายออกไปก็อยู่ในนี้ทั้งหมด ศึกษาได้จากที่นี่เรียนรู้จากที่นี่จากที่กายที่ใจเขาเริ่มเท่านั้นเรียนที่อื่นก็เป็นสิ่งที่ประกอบเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประกอบหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสติปัญญาบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าจะให้สำเร็จประโยชน์จริงๆแล้วก็ ต้องมาศึกษาที่กายที่ใจของเราีนเท่านั้นเพราะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดที่ตัวของคนเราที่กายที่ใจของเราทุกคนแต่เรื่องที่เกิดนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็มันมีแตกต่างกันไปแล้วแต่เรื่องบางคนก็มีเรื่องมากบางคนก็มีเรื่องน้อยอ มันก็แล้วแต่ที่ความต้องการของแต่ละคนเพราะความต้องการอาศัยตัณหาถ้าตราบใดที่เรายังต้องการตัณหาอยู่มันก็ต้องไปตามเรื่องของมันมันก็อยากทำโน้นมันก็อยากทำนี้มันก็อยากสร้างโน้นสร้างนี้อยากไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปตามตัณหามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ไม่มีที่จบ ม, มันไปอย่างนั้นไม่มีที่จบจบไม่ได้สร้างอันนี้เสร็จก็อยากจะสร้างอันนั้นทำอันนี้เสร็จก็อยากจะทำอันานั้นต่อไปจนกลัวจะหมดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนั่นน่ะจิตใจก็มีแต่ว่าวุ่นสงบก็บางครั้งบางคราวก็สงบจากผลงานที่กิเลสมันเสน อ, อกิเลสที่มันมกิเลสตัณหาที่มันเสนอไว เท่านั้นเองฉะนั้นเราต้องละเหตุของมันละเหตุอะไรคือละเหตุแห่งความอยากคือกิเลสตัณหานั้นละเหตุของมันเสียเราจึงจะพบกับสันติสุขสันติภาพได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราพิจารณาไตรตรองในที่นี้แห่งใ น, นเรื่องของเราทุกคน ไม่ใช่เรื่องของใครเป็นเรื่องของเราทุกคนจะต้องอ่าสํารวมระวังศึกษาปฏิบัติที่ตัวของเราเท่านั้นจึงจะเห็นผลประโยชน์อันนี้ขอให้ทดสอบทดลองที่ใจของเรานั่นเละดูที่ใจของเรานั่นเลยดัะ น, นั้นว่าดั น, นั้นขอให้จับหลักให้ได้ หลักที่แท้จริงก็คือหลักใจหลักใจกับสตินั้นคือตัวเดียวกันสติกับใจผู้ที่คิดนึกตึกตรองนั้นก็คือกิจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราลงดูเราต้องดู ที่ใจของเราให้ได้ที่จิตของเราให้ได้่นันทุกคนนะก็มีจิตมีใจแต่ว่าแต่ละจิตแต่ละใจนั้นต่างกันท่านเรียกว่านานากิจต่างต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพิจารณาไม่ใช่อันเดียวกันทั้งหมดดอไม่ไม่ตรงกันทั้งหมด มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาเรื่องกิจเพราะมันเร็วกิจมันเร็วถ้าเราไม่สำรวมระวังแล้วมันก็พาเราไปไกลแสนไกลเพราะว่าถูกกิเลสตัณหามันผลักดันความอยากมันผลักดันไปอให้กิเลสตัณหาไม่ใช่ไม่ดีนะมันสร้างสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละ แล้วก็สร้างส่วนเกินด้วยได้สร้างส่วนที่ไม่จำเป็นสาหรับชีวิตของเราด้วยว่าแ ต, แต่ขอให้ทำขอให้สร้างมากๆเอามากๆทำมากมากเอามากๆอไม่แต่ส่วนเกินนะเหมือนกับเราบา ง, บา ง, บา ง, บางขนาดบางคนก็สร้างบ้านไว้สองสามหลังสี่หลัง เราก็อยู่ได้หลังเดียวนั่นเองส่วนนั้นก็นเหลือส่วนเหลือเกินสร้างสองหลังสามหลังก็อยู่ได้หลังเดียวอืมมีรถสองสามคันก็ขี่ได้คันเดียวใครไปขี่รถพร้อมกันทั้งสี่คันมีไหมใครอยู่บ้านคนเดียวอยู่ได้สี่หลังทั้งมันไม่มีดังนั้นมันผิดธรรมชาติ มันส่วนเกินของธรรมชาติดนะังนั้นท่านจังสอนให้มัชทิมาปฏิปทาทางสายกลางอยู่พอดีกินพอดีอยู่ให้พอดีกินให้พอดีอมีอยู่มีกินทุกคนมีอยู่มีกินเสร็จแล้วถ้ามันเหลืออยู่เหลือกินแล้วค่อยเอาไปขาย ถ้ายังไม่เหลืออยู่เหลือกินถ้าใครยังไม่พอกินก็แบ่งปันให้กันไปได้นี่ขอให้พวกเราอยู่ดีกินดีเห็นอยู่พอดีกินพอดีเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองให้ทุกคนทำเองทำเอ ง, ท ำ, เองทำขึ้นมาทำให้มันมันอยู่มีอยู่มีกินตัวของเรานะ่ให้มีอยู่มีกินก่อนอ่แล้วก็ถ้าใครยังไม่มีอยู่มีกินก็ ช่วยเหลือกันไปแบ่งกันไปถ้าต่างคนต่างมีอยู่มีกินแล้วมันยังเหลืออยู่เหลือกินอยู่ก็เอาชงค่อยเอาไปขายนี่พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนั้นท่านแนะนาอย่างนั้นท่านไม่ได้เสนะทรงสแสดงอันสิ่งฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออะไรกันอ่าส่วนเกินอะไรกันนั่นนะ่ะไม่มีให้อยู่พอดีกินพอดี ในหลวงท่านก็เลยเอ า, เ, อาเรื่องนี้มาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงว่าพอเพียงของท่านและส่งเสริมพวกเกษตรกรไม่ได้ส่งเสริมพวกกษิกรรมส่งเสริมพวกเกษตรกรนั้นเป็นพื้นฐานอของการทามาหากินเห็เนไปอย่างนั้นนะฉะนั้นขอพวกเราพิจารณา ไม่ใช่ว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมขอเข้าใจว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วทุกขั้นตอนไม่ว่าเราจะทำงา น, ผานแผนกไหนอยู่อย่างไรเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนั่นน่ะปฏิบัติงานก็คือการปฏิบัติธรรมอืมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองอา นั่นเองรักษาธรรมก็คือรักษาตัวเองนั่นแหละนั่นล่ะขอให้พิจรารณาให้ดีขอให้มาตรวจดูตัวเองเหล่านั้นมันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้แก้ไขตัวนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อันนี้ ไม่ไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นทำแทนได้ไม่มีทุกคนต้องทำเองเพราะว่าธรรมชาติมันบังคับอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วเราต้องทำเองทั้งหมดไม่ตั้งแต่เราจะหัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดกินหัดถ่ายล้วนแล้วเป็นธรรมชาติมันสั่งสอนและบังคับอยู่ในตัวมันเสร็จให้เราปฏิบัติทำอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่ า, าจะต้องทิ้งการทิ่งงานอาจจะทิ้งการที่ ง, งานแล้วจะต้องไปปฏิบัติธรรมจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมอย่างนั้นขอให้คิดใหม่ขอพวกเราคิดใหม่ว่านั้นยังไม่ถูกต้องอนั่นแ่ะเมื่อกี้นี่ขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าโลกกับธรรมนั้นเขาอาศัยกัน มันเป็นของคู่ถ้ามีโลกก็ต้องมีธรรมถ้ามีธรรมก็ต้องมีโลกธรรมกับโลกเขาอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันตั้งอยู่และก็อาศัยกันดับไปเหมือนกับท่านาแนะนำภิกษุถ้าธรรมเลอะเรือนวินัยก็เลอะเรือนถ้าวินัยเลอะเรือนธรรมก็เลอะเรือนถ้าวินัยมีธรรมก็ต้องมี มีธรรมก็ต้องมีวินยัยมีวินัยก็ต้องมีธรรมอืมเพราะเป็นของคู่กันถ้าธรรมเลอะเรือนวินัยก็เลอะเรือนถ้าวินัยเลอะเรือนธรรมก็เลอะเรือนเออฉะนั้นโลกกับธรรมเขาต้องเป็นของคู่กันในขณะเดียวกันเราปฏิบัติทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ด้วยกันนั่นล่ละพิจารณาดูให้ดี ะฉะนั้นจะเล่าก็ดความรู้ให้ฟังสักเล็กน้อยอก็มีญาติโยมบางคนถามว่าไอตัวผู้นั่งอยู่นี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ตัวกิ่งนะไม่ใช่ตัวปลอมเพราะว่าท่านว่าเคยสลบสไลด์ไปนะแท้ที่กิ่งสลบสไลดไปตั้งสามคืน สามคืนยังไม่ฟื้นคืนชีพจนญาติโยมเขาจะเอาไปเผาเลยล่ะแต่ว่าหลวงปู่เลียนท่านไม่ให้เอาไปเผาท่านบอกว่าเอาไว้ก่อนว่า ง, งั้นนะเนี่ยมันเป็นอย่างงั้นสาเหตุก็ป่วยป่วยหนักแลมปี อาฉันไม่ได้มาเป็นปีๆร่างกาย่ายผอมลงจนแห้งจนเหลือแต่กระดูกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่นั่นน่ะแล้ววันนั้นก็หมอลงหมอลงพยาบาลเขาก็เลิกลาไปแล้วไม่รักษาหมอตามบ้านหมอรากไม้ก็ไม่รักษาแล้ว พ่อไม่หายก็มีแต่ตายลูกเดียวเขาก็บอกเลิกหมดแล้วหลวงพ่อก็เตือนตัวเองว่านี่เจ้านะอย่างไงเจ้าก็ต้องตายแน่นอนพาอหมอเขาก็บอกเลิกหมดแล้วอันนี้ขาแลี้ยวบอดไม่ทำงานบอดมันหลอดดําเข้าไป ไม่ทำงานร่างกายผ่ายผอมฉันไม่ได้ป่วยอยู่เรมปีวันหนึ่งก็เลยหายใจขาดเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ติดต่อคล้ายๆกับว่าจะไปนั่นเลยก็เลยเออเรารคงไม่รอดแล้วนะคงตายแน่นอนว่า ง, งั้นก็เลยไม่ได้มีอะไรละ ไม่ได้นึกถึงพุทโธพุทโธซ้ำไปความรู้สึกในขณะนั้นว่าตายตายตายตายตายตายว่างั ai, ้นภาวนาตายตายตายตายตายตายไปมีความรู aa, ้สึกขึ้นมาว่าตายแล้วเราจะอยู่ทำไมก็ไปสิว่างั้นปรากฏว่าลุกออกจากห้อง กุติแล้วก็ออกไปข้างนอกไปยืนอยู่ที่หัวบันไดในขณะนั้นก็มีรถกรีบคันหนึ่งวิ่งมาจอดที่ตีนบันไดพอดีเขาก็บอกว่านิมนทรว่งกันนะนิมนท์นนะนนท่านก็ไม่รู้ว่าเขาจะนิมนท์ไปไหนก็ลงไปขี่รถเขาไปไปตามเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหน เขาจะไปอะไรเราก็ไม่ถามเขาก็นั่งรถไปเรื่อยๆอนะจนถึงที่ใดที่หนึ่งนี่แหละรถก็ไปชนเข้าโขกหินเขาก็เลยบอกว่ารถก็จอดอ่าบอกว่ามาส่งท่านแค่นี้แล้วก็รถเป็นอะไรก็ไม่ได้ดูก็ลงจากรถเขาก็เดินขึ้นไปน่ะ เนี่ยไปไปที่ไหนนะอสองสามคื น, นจนกระทั่งอาจจะเล่าร่วงสุดท้ายว่าจะกลับมาวัดลืมผ้าสังขาลืมผ้าสังขาเนี่ยผ้าสังขามันข้ามวันข้ามคืนแล้ว ผ้าสังขาอยู่วัดมันข้ามวันข้ามคืนแล้วตัวผ้าสังขาเป็นนิสกีหลวงพ่อเป็นปับอบัตเป็นปากริตีแล้วจะกลับคืนไปเอาผ้าสังขาที่นิยมเขาก็ถามว่าผ้าสังขาอยู่ที่ไหนก็บอกว่าผ้าสังขาอยู่ที่วัดจะกลับไปเอาผ้าสังขาเพราะผ้าสังขามันข้ามวันข้ามคืนแล้วว่างั้นนะ เขาก็เลยมาส่งมาส่งที่ตีนบ้านเขานั่นแหละเขาก็กลับไปโยมาหลวงพ่อก็หันหน้าจะมาวัดปรากฏว่าตัวเองล อ, อาาลอยอยู่บนอากาศลอยอยู่บนอากาศแล้วมองลงมาเห็นเมืองอุดรมองลงไปเห็นเมืองอุดรแถวคล้ายๆประจักษนะ์นั่นแหละและตัวก็ลอยไป ลอยไปทั้งทางหนองสองห้องทางทา่าบ่อสีเชียงใหม่แล้วก็ผ่านบ้านหม้อไปลงที่ตีนภูกระแตวัดปัจจุบันนี่แหละตอนนั้นมันเป็นลานหินแล้วเป็นป่าช้าเล็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะเลยไปลงตรงนั้นลงแล้วก็เห็นเด็กคนหนึ่งยืนดูกองเชิงตะกรกองฟอนอยู่ใหญ่โตมโหฬาร กองฟอนมีแต่ไม่ดูไม่แดงทั้งนั้นเลยก็ลเลยถามว่าน้อยอันนี้เขาทำอะไระเด็กคนนั้นตอบว่าได้ยินว่าเพื่อนจะเผาคุบาฉลวยว่างั้นนะเา้าเราตายหรือวันนี้เอ้ยช่างเถอะไปวัดวัดหลวงพ่ออยู่ อยู่ติดน้ําโขงไม่ใช่วัดทุกวันนี้อยู่ติดน้ําโขงโน่นวัดเก่ามันติดน้ําโขงวัดใหม่นี่อยู่อยู่หลังเขานะก็รู้สึกตัวก็เดินไปนั่นแหละมันก็ลอยไปเข้าไปวัดพอเด็กมันเห็นมันก็ว่าผีผีผีผีมันก็วิ่งหนีวิ่งหนีจร ะ, ะวรรณเลยหลวงพ่อก็เอเราเป็นผีหรือช่างเถอะไปกุฏิก็เลยไปกุฏิ ถ้าไปกุฏิเนี่ยก็เห็นโยมนั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิก็มีข้างบนก็มีเวลาไปถามใครเขาก็ไม่พูดด้วยฉะ น, นั้นคนนั้นนะคนถามใครก็ไม่พูดขึ้นไปกุฏิก็เห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่ก็ถามแม่แม่ก็ไม่พูดด้วยก็เลยหันมองเข้าไปที่ในกุฏิก็เลยไปเห็นร่างนอนอยู่ ไปเห็นร่างหลวงพ่อนอนอยู่เอ๊ะอันนี้อะไรวะก็ะเลยเข้าไปในห้องแค่ น, นี้เข้าไปในห้องแล้วก็เป็นนั่งยองๆ อ, อยู่ตรงกลางเนี่ยดูเท้าดูหัวดูเท้าถูหัวอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีอะไรก็ไม่รู้นะมาทุบหูเนี่ยดังเปี้ยงเลยดับไปเลยทุบหูเปี้ยงเข้าไปเลยนะความรู้สึกในขนาดนั้นนะนานสักเท่าไหร่ไม่ทราบ พอรู้สึกตัวขึ้นมาอา้าวก็เห็นแต่ร่างนอนร่างนั่งไปไหนร่างนั่งเมื่อกี้นี่ไปไหนทําไมเห็นแต่ร่างนอนเนี่ยแสดงว่าเข้าร่างเรียบร้อยแล้วนะก็เลยมานึกมาคิดว่าเอเรานี่เป็นอะไรก็นึกย้อนเออเรานี่ไม่สบายอย่างนั้นอย่างนั้นนะไปเลยคิดดู เอมันมีเลี้ยวมีแรงอยู่หรือเปล่าเนาะว่าจะดึงผ้าออกจากหน้านี่น่ะเขาเอาผ้าปลกไว้ว่าจะดึงผ้าเพื่อจยกแขนขึ้นไปแขนมันก็โผล่ขึ้นไปในขณะนั้นเป็นกลางคืนนะสองทุ่มปุว่าที่นี้คนเขาสมัยนั้นวัดาอารัญยังไม่มีไฟฟ้าจุดตะเกียงไงจุดตะเกียงน้ามันกาด ยังยังจุดตะเกียงไม่มีไฟฟ้าเมื่อหลวงพ่อก็โผล่ขึ้นไปนี่คนเขาเห็นว่าโอ้ยผีผีผีเขาก็โดดกุฏิเลยขาแพ่งไปเลยนะทีนี้อีกพวกหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นอ่าทีนครับพอฟื้นแล้วฟื้นแล้วเขาก็จุดตะเกียงขึ้นมาสักครู่หนึ่งหลวงปู่เหรียนก็มาจต่กุฏิ ท่านมาท่านก็สั่งให้จุดตะเกียงให้มันมากกว่านั้นอีกแล้วสมัยนั้นมีมีตะเกียงเจ้าพายุ ด, ด้วยก็เอามาเอามามีเท่าไหร่เอามาใส่น้ำมันแล้วก็สูบเข้าไปจุดก็กแขวนไว้ตามกิ่งไม้ให้มันสว่างสวัยเพราะงั้นท่านก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็ไปดึงผ้าออกไปดึงผ้าออกมาแล้วเนี่ยท่านก็ถามว่าเป็นยังไง รู้สึกตัวหรือยังหลวงพ่อก็บอกว่ารู้สึกตัวแล้วท่านก็ไม่พูดอีกท่านก็พูดกับญาติโยมญาติโยมก็พูดไปแล้วก็มาจับเส้นให้เหมือนกับนวดเมื่อกี้นี่แหละจับเส้นจับอะไรใหนะ้เหมือนกับเนนบีบให้ครูบาอาจารย์เนี่ยจับไปนะ่ะสักคู่หนึ่งท่านก็มามองหน้าเราอีกถามว่าเป็นยังไงรู้สึกตัวหรือยังหลวงพ่อก็บอกรู้สึกตัวแล้วออื ท่านก็ไม่ถามต่อไปอีกท่านก็คุยกับญาติโยมต่อไปอีกถามสามครั้งครั้งที่สามรู้สึกตัวแล้วยงางหลวงพ่อกว่ารู้สึกตัวแล้วท่านจึงเริ่มอธิษานพระบทว่าไปยังไงมายังไงเป็นยังไงก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังเล่าเรื่องให้ท่านฟังนะก็มาจบลงที่ว่าพลาดสังคากลับมาเนี่ยมาพลาดสังคา เี๋ยวในหลวงพ่อก็มีแล้วล่าสังคาแต่ก็ยังไม่ไปเ อ, อยังไม่ไปเออเพราะอยากจะอยากจะอยู่อยู่ยังไม่ไปนะพาดสังคาก็ได้แล้ววันนี้ก็เอามาด้วยเหมือนกันเออว่าเอาไปไหนก็ไปด้วยพาดสังคาไม่วางแล้วทีเนี้ยทีนี้ก็เอพาดสังคาก็เราเรื่องให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเนี่ย ปรากฏว่าขึ้นไปหลังเขาลูกหนึ่งใหญ่โตมโหฬารสูงแต่ไปยืนอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่ามีน้ำมาล้อมรอบหมดเลยเป็นทะเลหมดเลยมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นมีบ้านคนไม่มีไฟเราก็จะตายอยู่ตรงนี้ละมั้งว่างั้นนะเออมองไปมองมาไปเห็นไฟลิปรี่อยู่โน่นไกลๆนั่นน่ะเอออันนั้นมันบ้านคนหรือไงเนาะ แล้วเราจะไปยังไงไม่มีเรือไม่ีแพอะไรเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเอพระกรรมฐานนี่เขาบอกว่าเหาะได้ว่างั้นเีเออก็เลยลองดูซิกเลยยกมือปน ม, มือขึ้นมานกมือปน ม, มือวาปรากฏว่าตัวลอยข้ามฟากไปโน่นไปที่บ้านที่มีไฟอ่ะอเนี่ยเลยเล่าให้หลวงปู่เหลียนฟังตรงนี้นะท่านบอกว่า ให้ภูเขานั้นน่ะที่นั่นน่ะคือร่างกายของเรานี่เองท่านท่านท่า น, ท, านท่านให้ความหมายอย่างนั้นนะแต่สําหรับน้ํานั้นท่านบอกว่าแม่น้ําที่ล้อมรอบนั้นน่ะท่านบอกว่าแม่น้ําตันหาท่านว่าอย่างนั้นหรือน้ํากัดเหล็กกัดทองอยากที่คนจะข้ามแม่น้ํานี้ได้ส่วนมากก็ตายอยู่ในแม่น้ํานี่ ส่วนมากอนะ่ะตายอยู่นั้นนะแม่น้ําตันหาเนี่ยว่า ง, งั้นนะทีนี้ก็นึกอยู่ในใจว่าเออผมไม่ได้ไว่ายข้ามน้ํำนะผมเหาะข้ามไปเลยอะ่ะเออไม่ได้ลงไปน้ําเลยเหาะข้ามแม่น้ําไปเลยว่า ง, งั้นนะไปลงโน่นบ้านโน้นนะท่านบอกว่าน้ํานั่นแหละเป็นแม่น้ําตันหาคนเราก็ไปตายอยู่ตรงเนี้ยข้ามไม่พน้นจากน้ําแม่น้ําตันหาเนี่ยท่านยังแล้วว่า นัตถิตันหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีไม่มีที่สึ้นสุดเราทําเราอยู่เรากินเราทํางานทําการทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยตันหาตัว น, นี้เองความอยากความนั้นอ่ะมันพาทําพาไปพาอยู่ทีนี้ผ้าสังขารล่ะท่าสังขารหลวงปู่ท่านว่าเป็นผ้าสังขานั่นเอง เป็นเครื่องหมายแห่งการคาการข้องมันยังไปไม่ได้ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกรรมต่อไปอีกท่านว่าอย่างนั้นนะท่านว่ายัางจังต้องสร้างบุญสร้างกรรมต่อไปอีกผาสังคานะั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการคาการข้องว่างั้นก็เลยคาเลยข้องอยู่เนี่ยเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปอย่างอยู่ไม่ไปก็อยู่กับพุทธบริษัทญาโยมนี่กนะ่อนนะเพราะว่าท่านกาหนดไว้ ร้อยปีว่างั้นนะแต่ในขณะนี้ก็เก7สิบห้าเกตสิบหกกันละนะ7กตสิบเสิบหกปีย่างเ6สิบหกปีนี้ล่ะกะไว้ว่าอยากจะอยู่คู่พระศาสนาต่อไปอีกอจนเวลาร้อยปีว่างั้นนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็หลวงปู่เรียนว่า กลับมาสองทุ่มพ่อหลวงพ่อไปก็ไปสองทุ่มมาก็มาสองทุ่มที่กิงหลวงปู่ไม่ห้ามแล้วนะพรุ่งนี้จะเผาแน่นอนพรุ่งเนี้ยจะเผาแน่นอนบ่ายสองโมงหลวงปู่ก็ไม่ห้ามแล้วแต่วันเนี้ยหลวงพ่อมาเข้าล่างก็เลยไม่ได้ทันได้เผาแค่นี้ครูบาอาจารย์อ่าหลวงสม เจ้าคุณโชดท่านพูดให้ฟังท่านเคยเไปเกิดกับน้องสาวท่านเป็นพระนี่แหละตอนท่านป่วยป่วยใกล้จะตายท่านนึกถึงน้องสาวน้องสาวกำลังจะคลอดลูกว่างั้นนะก็เลยกำลังจะคลอดลูกนึกถึงน้องสาวพร้อมกับดับกิจไปก็ไปหาน้องสาว น้องสาวก็ออกลูกคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายน่ารักก็เลยไปจับดูไปจับหลานดูกิจก็ดับก็เข้าล่างหลานนั้นไปฉะนั้นเกิดมาแล้วรู้จักความก็บอกแม่ว่ามึงไม่ใช่แม่กูว่างั้นเอา้าทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะ เออไอ้นี่ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแล้วเป็นยังไงเออแม่นี่นออกมาแท้ๆทำไมจะไม่อาไม่เป็นแม่อย่างนี้นะไม่ใช่แกเป็นน้องฉันว่างั้นอ้าวน้องอยังไงท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังไงว่าฉัานท่านเป็นพระอยู่วัดคิดเป็นห่วงน้องออกกาลังจะคลอดลูกทล้วก็ดับมาหาทางนี้ก็มาเกิดพอท่านอายุเกตขวบ ก็ออกบวชไปเลยแล้วก็มรณภาพในผ้าเหลืองนี่แหละคงไม่ไปเกิดกับใครอีกแล้วมั้งท่าไม่เห็นมีท่านพูดว่าเรื่องของหลวงพอ่อนั่นว่าถ้าสมมติว่าหลวงพ่อไปไปกับโยมคนนั้นนะ่ะคนที่เขานิมนต์ไปฉันที่บ้านนั่นนะ่ะไปแล้วนะเกือบจะถึงบ้านเขาเลยนะลืมผ้านึกได้ลืมผ้าลังคาน่ะอันนี้ถ้าไปถึงบ้านเขาก็ไปฉัน S 1> <S 1> เขาก็จะจัดที่ให้ฉันฉันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนิมนต์ไ ป, ปพักผ่อนเหมือนโยมนิมนต์หลวงพ่อไ ป, ปพักผ่อนเมื่อกี้นี้เนี่ยไ ป, ปพักผ่อนก่อนแล้วเขาก็ จ, จัดจัดห้องให้พักผ่อนถ้าจัดขั้นเข้าไปพักผ่อนในห้องแล้วนั้นน่ะท่านบอกว่าไปปฏิสนธิใหม่แล้วทางนั้นก็ตายทางนั้นก็หมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วไปพักผ่อนในห้องนั้นน่ะ ที่กิงก็ตื่นตั้งแต่นานแล้วท่านว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีทางออกเพราะเขาปิดประตูหมดเขาปิดประตูหมดฮะหลายกันหลายเดือนใช่ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งท่านะเก้าเดือนสิบเดือนก็มีใช่ไหมที่อยู่ในท้องอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงนะเกิดเดือนเขากล้ลากาออกมาแล้วก็มีเ <laughs> นี่ยอันนี้เก้าเดือนสิบเดือนท่านบอกว่าลาคาญที่สุดแล้วอยู่ในเนี้ยทําไมเขาไม่ยอมเปิดประตูสักที ก็เลยต้องเตะทั้งทั้งหัวกระทุ้งทั้งเตะทั้งเทปล้วงั้นที่ว่าเอเขาบอกว่าแม่ที่ว่าไ อ, อ้ลูกมันดิ้นนะลูกดิ้นอยู่ในท้องนะ่ะคูใดเคยใครเคยมีลูกนะถ้าใครเคยมีลูกว่าลูกคนไหนมันดิ้นอยู่ในท้องน่ะมีไหมมีใช่ไหมคนคนไหนเคยมีลูกมีท้องก็คงจะรู้นเนาะนั่นแหละมันดิ้นที่จริงนั่นไอ้ทาประตูทําประตูออกหาทางออกว่างั้นนะ หาทางออกแต่ก็ไม่ไม่มีทางออกก็งั้นนะ่ะก็ดันอยู่งั้นแหละวันๆก็พยายามอยู่งั้นแหละอ่ารวบรวมกำลังแล้วก็เอาตีนทำบ้างเอาหัว ท, ทุ่งบ้างอะไรอยู่นั้นนะ่ะก็ทำให้แม่เก็บท้องว่าลูกมันดิ้นแหละมันมันอยากจะออกแล้วนะนั่นเนี่ยอันนี้ท่านว่ายอย่างนั้นนะฮึพราะนั้นว่าในกรณีหลวงพ่อนั้นไม่ได้ไปถึงบ้านหลังนั้น ไม่ได้ไปฉันแล้วก็ไม่ได้ไปพักแต่ก็กลับเนี่ยจับพื้นคืนทีพย์จึงได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับพุทธบริษัทในขณะนี้นะยังอยู่ยังไม่ไปตรงนั้นนะยังไม่ไปตรงนั้นเลยเนี่ยทีนี้กม็มีท่านผู้ใดมีความคิดสงสัยอะไรบ้างก็ถามได้ าถามได้เพราะว่านี่ก็13นาฬิกาพอดีนะเพราะหลวงพ่อก็นองดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าญ า, าติโยมก็จะต้องไปทำงานถ้างั้นหรือมีความสงสัยอะไรบ้างหรือไม่เข้าใจสิ่งใดก็ถามได้ให้โอกาสถามได้หรือว่าถ้าเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็นมทนาสาธุ แล้วก็ขอให้นําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตัวเองนั่นแหละนะทุกคนต้องปฏิบัติตัวเองเท่านั้นไปประพฤติปฏิบัติก็จะงอกงามไพบูรณ์บรรลุซึ่งคําคําสอนพุทธเจ้าแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดังอธิบายขยายความมาก็เห็นทีจะสมควรเกวเวลา จึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนีส